มีเด็กชายชาวจีนคนหนึ่งนะอาอยุประมาณ10ขวบ11ขวบใกล้ๆ ก, กับสามัญเนี่ยเด็กคนนี้แกเป็นคนที่เห็นกับตัวนะเวลามีอะไรก็ช่วยก่อนใครเลยไม่ค่อยนึกถึงคนอื่นเท่าไหร่และแถมเป็นคนที่ชอบนินทารับหลังเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น อยู่ๆไปอยู่ไปเพื่อนก็ค่อยหายไปทีละคนสองคนจนกระทั่งไม่มีใครมาคบเลยเด็กชายคนนี้ก็เลยเครียดนะเสียใจแล้วก็กลุ้มใจพ่อก็เห็นนะสังเกตเห็นบ่ายวันหนึ่งเนี่ยพ่อก็เอาบะหมี่สองชามมาวางไว้บนโต๊ะบ้านนี้เค อ, อยู่กันสองคนนะ แม่เสียชีวิตไปแล้วบะหมีสองชามชามนึงเนี่ยมีไข่โปะอยู่ข้างบนบนบะหมี่อีกชามนึงเนี่ยไม่มีไข่โปะเลยเมืองจีนเมื่อสาม0ปีก่อนนี่ไข่นี่มันมีค่านะกว่าจะได้กินนี่ก็ต้องวันตุดจีนหรือไม่ก็มีงานเลี้ยงนะที่นี่เนี่ยวัดป่าสุกโตเมื่อ สี่สิปีก่อนนี่ก็เหมือนกันนะไข่ฟองหนึ่งนี่ต้องแบ่งกันกินหลายคนเลยเมืองจีนตอนนั้นก็ทำนองนี้แหละก็นี้วางบะหมี2สองชาวบนโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยพ่อก็บอกว่าให้ลูกชายเลือกถ้าเราเป็นลูกชายเราจะเลือกชามไหนเหรออ๋อแต่ว่าเดยวคนนี้ไม่ใช่ เหมือนสั ม, มัณเนรนะเด็กคนนี้เนี่ยเลือกชามที่มีไข่โปะอยู่ข้างบนนะเพราะนานๆนนจะได้กินไข่สักทีพอเลือกชามนี้เสร็จแกก็กินบะหมี่อย่างอริดอร่อยนะแต่ระหว่างที่กินอยู่เนี่ยบอกว่าก็เห็นพ่อเนี่ยซึ่งเลือกบะหมี่ชามที่ไม่มีไข่โปะ พ่อนี่กินเร็วกว่าสักพักก็ถึงกินประเดี๋ยวเดียวก็ถึงก้นชามแนละ้วบอกว่าก้นชามเนี่ยมีไข่อยู่สองฟองเด็กชายเสียใจมากเลยนะเราได้กินไข่ฟองเดียวแต่พ่อได้กินต้องสองฟองพ่อเห็นเช่นนั้นพ่อก็เลยบอกลูกว่าอย่าเสียใจไปเลยอันนี้มันสอนเรานะว่า สิ่งที่ตาเห็นเนี่ยอา จ, จไม่ใช่ของแท้หมายความว่าความจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นชามที่ไม่มีบะหมี่ชามที่ไม่มีไข่อยู่ข้างบนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่มีไข่อยู่เลยไข่อาจจะมีแต่ว่าอยู่ก้นชามบะหมี่มันบังเอาไว้แถมมีทั้สองฟอง แล้วพ่อก็สอนให้เด็กรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่คิดว่ามากเนี่ยอาจจะน้อยก็ได้สิ่งที่น้อยจริงๆอาจจะมากก็ได้เด็กเนี่ยคิดว่าตัวเองได้แล้วนะได้ไข่ฟองหนึง่งแต่สุดท้ายพบ ว, ว่าตัวเองเนี่ยนะไม่ได้ไข่สองฟองวันต่อมา ถึงเวลาเที่ยงพ่อก็เอาบะหมี่สองชามมาวางไว้เหมือนเดิมเห ม, เ, เหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกับเมื่อวานนี้เลยนะชามนึงเนี่ยมีไข่โปะอยู่ข้างบนอีกชามหนึง่งไม่มีไข่อยู่ข้างบนแล้วพ่อก็บอกว่าเนี่ยให้ลูกชายเลือกลูกชายเนี่ยก็คิดถึงเมื่อวาน ว, านวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราพลาดไปนะ เราไปเลือกชามที่มีไข่โปะอยู่ข้างบนบอกกับว่าชามที่ไม่มีไข่นี่ดีกว่าไม่มีไข่โปะมันดีกว่าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเด็กชายก็เลยเลือกชามที่ไม่มีไข่โปะเพราะคิดว่าคงจะมีไข่ซ่อนอยู่ก้นชามเนี่ยสองฟองเหมือนเมื่อวาน บอกว่าพอกินไปกินไปไม่เจอไข่เลยสักฟองเด็กชายก็เสียใจผิดหวังพ่อก็บอกว่าอย่าเสียใจไปเลยมันสอนให้เรารู้ว่าอย่าไปเชื่อประสบการณ์ของเรามากเกินไปประสบการณ์ของเราเมื่อวานเนี่ยมันบอกว่ามีไข่สองฟอง อยู่ในชามที่ไม่มีไข่โปะอยู่ข้างบนนะแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่แล้วก็อย่าเชื่อประสบการณ์เดิมๆของตัวมากเกินไปวันที่สามเหมือนเดิมนะถึงตอนเที่ยงพ่อก็เอาบะหมีสองชามมาวางบนโต๊ะชามหนึ่ง มีไข่โปะอยู่ข้างบนอีกชามนึ้งไม่มีไข่โปะเลยแล้วก็ให้ลูกเลือกอว่าจะเอาชามเอาชามไหนถ้าไปสารปรเมเณรจะทำยั ง, ยงไงเด็กคน aine, นั้นบอกว่ า, า, วาพ่อเนี่ยทำงานเหนื่อยนะอยากให้พ่อได้กินเยอะเยอะจะได้มีเรื่องมีแรงทำงาน ก็เลยขอให้พ่อเลือกก่อนแล้วพ่อเลือกอะไรเลือกชามแต่พ่อเลือกชามที่มีไข่โปะอยู่ข้างบนแต่เด็กไม่เสียใจเลยนะเพราะว่าเด็กก็ตั้งใจอยากจะให้พ่อได้ของดีๆได้บ่ามีชามที่มีไข่จะได้บำรุงร่างกายของพ่อ เด็กก็ได้กินชามที่ไม่มีไข่โปะอยู่ข้างบนแต่พอกินไปกินไปพบกว่ามีไข่อยู่ก้นชามสองฟองเด็ก ง, งงเลยอ่ะทำไมวันนี้มีไข่พ่อก็เลยบอกลูกว่าลูกเอ๋ยนะเมื่อแต่ก็ตามที่ลูกทำเพื่อผู้อื่น สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับลูกลูกเนี่ยอยากให้พ่อได้กินของดีอยากให้พ่อได้กินบะหมี่ชามอร่อยๆมีไข่ตัวเองก็ยอมที่จะกินบะหมี่ที่ไม่มีไข่โปะข้างบนแต่พบว่ามันมีไข่สองฟองอยู่ข้างล่างคิดว่าจะเด็กก็เลยรู้ว่าเมื่อเราให้ เรากลับได้มากนะนี่ก็เหมือนกันนะความจริงไม่เหมือนสิ่งที่ตาเห็นตอนแรกเนี่ยชามที่มีไข่้อกว่ามีไข่น้อยกว่าอีกชามที่ไม่มีไข่โปะต่อมาก็พบว่าชามที่ไม่มีไข่โปะเลย มันกลมีขขยมากกว่าอีกชามเด็กชายนนี้บอกว่าเนี่ยโ้หนี่เป็นประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนที่สำคัญมากเลยนะพ่อได้สอนบทเรียนชีวิตให้อันนี้ไม่ใช่วิชาวความรู้นะอันนี้เป็นวิชาชีวิตนะไม่มีสอนในชั้นวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์นะแต่มันสามารถจะเรียนได้จากชีวิต และพ่อก็เป็นคนฉลาดนะสอนให้ลูกเนี่ยได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญจากบะหมี่จากประสบการณ์บทเรียน3ข้อคืออะไรนะจำได้ไมสามัญเนรข้อที่หนึ่งสิ่งที่ตาเห็นอาจจะไม่ใช่ของแท้ความจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นเห็นว่ามากที่จริงมันน้อยนะอยากได้ มากกลับปกว่ากลับได้น้อยนะสองอย่าเชื่อประสบการณ์เดิมๆ เ, นะเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเราชนะทีมคู่แข่งทีมแล้วทีมเล่าเพราะเรามีเทคนิคนะก็คือบุกทางซ้ายบุกทางปีกซ้าย แล้เล่นทุกครั้งก็ใช้แท็ติกนี้แต่ว่าบางครั้งอาจจะแพ้ก็ได้ฮะต้องเปลี่ยนใช่เปลี่ยนไม่เป็นปีขวาใช่อย่าเอาเชื่อประสบการณ์เดิมๆนะใช่เออใช่ั้นสิ่งที่ทำสำเร็จวันนี้ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะสำเร็จ<ม>ก็เหมือนกับ เรา <c oughs> เราตื่นเช้าทุกวันเนี่ยนอนทุกคืนก็ตื่นเช้าทุกวันแต่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นเช้าหรือตื่นขึ้นมาเลยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ตื่นเลยก็ได้ตื่นมาทุกวันห้าสิบหกสิบปีแล้วไม่มีวันไหนที่ไม่ตื่นแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นก็ได้ไม่ตื่นคือตาย <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อประสบการณ์เดิมนะอะไรแล้วก็ไม่แน่นะต้องรู้จักใช้สติปัญญานะอย่าทำตามความเคยชินแล้วข้อที่สามจำได้มหม <c oughs> สำคัญมากถ้าเรานึกถึงผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเราให้ไม่ได้แปลว่าเราเสียเรากลับได้มาก นะวฉะนั้นเนี่ยบะหมี่สามชามนี่มันให้บทเรียนบะหมี่สามวันนี่มันให้บทเรียนดีๆกับเรามากเลยนะนะสามนเนียก็จดจำมาไว้รวมทั้งได้สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของเราที่อยู่วัดป่าสุขโตนี้นะอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าด้วย